ก <c oughs> ิเลนทมนำสุขพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกท่านทุกคนด้วยความเมตตาทาหลวงพ่อว่ายุคนี้สมัยนี้น่าเป็นห่วงเหลือเกินโดยเฉพาะวัยลูกวัยหลานวัยกำลังที่จะ เป็นกำลังของชาติตลอดถึงสังคมครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองยุคนี้สมัยนี้มีปัญหามากมากจนน่าเป็นห่วงเหลือเกินโดยเฉพาะวัยลูกวัยหลานความประพฤติถ้าเผื่อ เราดูข่าวดูข่าวกรมสุขภาพจิจตจิตแพทย์บางจังหวัดที่มีชื่อมีเสียงมีค่านิยมชมชอบว่าเป็นจังหวัดนำการท่องเที่ยวเพื่อความสุขกายสบายใจกับปีปัญหาว่า แต่และปีแต่และปีมีคนไข้คนป่วยทาง จ, จิตใจเข้ารักษาปีหนึ่งตั้งหลายพันหลายหมื่น mm hmm. เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางกองสังคมแสดงว่ามีปัญหามากเหลือเกิน มีปัญหาหน้าเป็นห่วงเหลือเกินฉะนั้นถ้าเพื่ออาศัยตามยุคตามสมัยอย่างเดียวโดยไม่ได้กำเนงถึงหลักศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะเพิ่มทวีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นปัญหาทาง จ, จิตใจ จะมากก็ดีน้อยก็ดีเป็นเครื่องบ่งบอกถึงการเหินห่างจากศิลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแบบไทยๆเราฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราแบ่งเวลาของพวกเราที่พวกเราใช้เวลาไปอยู่กับ การเล่นการเที่ยวการเล่นจะเป็นการเล่นเกมต่างๆเล่นการผนันต่างๆการเที่ยวเพื่อสนุกเฮหฮหาตามวันตามเวลาที่พวกเราใช้กันอยู่ชั่วนั้นเวลาลักษณะนี้ส่วนมาก มันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาหลวงพ่ออยากจะให้แบ่งเวลาส่วนนั้นให้มาสนใจในการนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิให้จิตใจของพวกเรามีความสงบอบอุ่นมีความสุขความสบายแบบธรรมชาติ ฉะนั้นการมาฝึกฟังเทศฟังธรรมจะได้เข้าใจความหมายเนื้อหาของศิลธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราอยู่ทุกขณะจิตทุกวันทุกเวลาพวกเราจะได้เข้าใจวิธีแก้ปัญหา ที่มันเกิดขึ้นมากน้อยโดยเอาอาศัยหลักศีลหลักธรรมเป็นเครื่องแย้เป็นเครื่องป้องกันฉะนั้นขอให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานได้ใช้เวลาได้แบ่งเวลามาฟังเทศนั่งสมาธิให้มีอย่างน้อย วันหนึ่งเนี่ยให้ได้เวลามานั่งฟังเทศนั่งสมาธิครั้งละสิบนาทียี่สิบนาทีหรือฟังกันอยู่บ่อยๆฝึกกันอยู่บ่อยๆอย่างนี้จะดีที่สุดและเป็นพิธีการป้องกันปัญหาไม่เกิดขึ้นและ จะเป็นพิธีการแก้ปัญหาในทางที่ถูกและควรจะทำความเข้าใจอีกว่าการฟังเทศฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมว่าเรื่องนี้เคยได้ฟังแล้วเคยได้ฟังอยู่บ่อยๆถ้าฟังอยู่เรื่อยนึกขึ้นมาไม่อยากจะฟัง ฟังแล้วมันจะมีลักษณะควมเบื่อหน่ายอะไรเหล่านี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ศีลธรรมนี่เป็นเครื่องเสรมทรัพย์เสิมทรัพย์มทรัพย์เสริมทรัพย์เข้าสู่จิตใจเพื่อจะได้เกิดตติอันชอบปัญญาอันชอบนำมาแก้ไขปัญหานำมาเป็นเส้นทาง เพื่อดำเ น, นเพื่อดำเนินชีวิตให้เข้าสู่ความสมหวังในอนาคตฉะนั้นเหมือนพวกเราใช้ใช้ขาใช้มือใช้แขนใช้หูใช้ตางเราเนียเราใช้ทุกวันทุกวันไม่คิดว่าจะเบื่อหน่ายในการใช้อันนี้ก็จัยใดในการฟังเทศฟังธรรมอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องนี้ได้ฟังแล้ว ไม่อยากฟังหรอกถ้าเข้าใจอย่างนี้ผิดฉะนั้นให้เข้าใจเหมือนอย่างเดี่เราใช้ขาใช้แขนใช้มือใช้หูใช้ตาใช้ไมจ้จีบีจีบปีจีบีไม่เคยนึกเบื่อนึกหน่ายเพราะเราใช้เพื่อเป็นประโยชน์นฉะนั้นฟังเทศฟังธรรมเพื่อเข้าใจแบบเดียวกันฉะนั้นจะเข้าใจยังไงลักษณะสินธรรมทีว น, นี้ต่อไปให้ฟังเนื้อหาของสินธรรม โอกาสต่อไปได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเพราะมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะ แปลงจิตแป่งใจรักษาจิตใจของเราให้เข้าสู่ความเป็นบุญเป็นกุศลได้อย่างสมบูรณ์ยิวภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาหลักธรรมท่านว่าอย่างนั้น ที่นี้เข้าสู่การปฏิบัติการการภาวนาของพวกเราพี่น้องญาติโยมทุกท่านทุกคนนั่งอยู่นาสถานที่นี้มีดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจดวงนี้ พวกเราควรจะบำาัุงและแต่งด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลนี่ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมักคือเครื่องแต่งแต่งได้ดีขนาดไหนทั้งแบบผลมักผลมากผล คำว่าผลคือการแต่งดวงจิตดวงใจของพวกเราแต่และท่านแต่และคนแต่งได้ดีน้อยมากขนาดไหนกลายมาเป็นผลฉะนั้นจิตใจของพวกเราทุกท่านเป็นจิตใจที่เหมาะ เหมาะสำหรับที่จะแต่งเหมาะสำหรับที่จะบำรงด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลเพราะจิตใจดวงนี้เป็นจิตใจที่มีความสมบูรณ์แบบอยู่ในรูปร่างของความเป็นมนุษย์มนุษษสมนุษย์โสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชทั้งชาวบ้าน อยู่ในระดับเป็นผู้มีจิตใจสูงแต่สูงในระดับควมเป็นมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราบำรุงและส่งเสริมให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุด คือมรคนิพพานถ้าพวกเรายังไม่เข้าถึงมรคนิพพานอยู่ตราบใดจําเป็นพวกเราก็จะต้องแต่งและบำรุงด้วยบุญด้วยกุศลด้วยศีลด้วยธรรมอย่างนี้เราต้องการควงดี ความดีให้เกิดขึ้นกับใจให้มีในใจฟังคำนี้แล้วโอปญัญญายโกน้อมเขาถึงจิตใจการนี้เวลานี้เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสหรับสำหรับที่แต่งใจแต่งใจทำใจของเราให้ดี ให้ความดีถึงใจให้ใจถึงความดีการแต่งใจการทำใจให้ดีเมื่อฟังแล้วพวกเราทุกท่านจงนำเป็นนโยบายจะพอตัวคําว่าแต่งใจให้ดีทำใจให้ดีทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ เราปฏิบัติเองเราทําเองเมื่อใจดีใจก็จะมีความสุขใจก็จะมีความสบายสดชึ้นสดชื่นลื่นเริงยืนแยม้มแจ่มใสจิตใจดีงามสังวรการทำควมเพีย พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำบุญให้เกิดขึ้นภายในดวงใจเมจจื่อจิตใจดีจิตใจสดชื่นรื่นเริงยิ้มแย้มเ่ยไสจิตใ จ, ด, ใจดีงามรักษาสังบรรักษาระวังความดีอ น, นี้ไว้เพราะมันเป็นบุญ ฉะนั้นเมื่อพวกเราเข้าสู่ภาคปฏิบัติคือภาคการกระทำภาคการแต่งคำว่าบุญคือความสมบูรณ์ของจิตใจจิตใจที่มีความสมบูรณ์ขณะนี้พวกเราทุกท่านยังไม่เพียงพอด้วยความสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศล จึงพากันมาบำลุงและแต่งความเป็นบุญนี้ให้เกิดขึ้นมีขึ้นความเฉลาดของจิตใจเราควรจะนำมาใช้มาใช้รักษาจิตใจของเราซึ่งเป็นคุณสมบัติ เป็นสมบัติล้ำค่าของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่จิตใจมีความสมบูรณ์จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้มีจิตใจดีงามจิตใจสดขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสบาย เมื่อพวกเราฟังแนวทางของธรรมเพื่อเข้าสู่จิตใจเป็นการบำรุงและเป็นการสร้างความดีเกิดขึ้นหน้าที่ของพวกเราในขณะ น, นี้ทุกท่านทุกคนทั้งหญิงทั้งชายมีดวงจิตดวงใจดวงนี้เป็นดวงจิตดวงใจที่เหมาะสมสำหรับที่จะแต่งสำหรับที่จะบำรุง ให้มีความดีให้มีความสดขึ้นลุ่นเริงยินแยมแจม่มใสเกิดขึ้นภายในดวงใจของเราในขณะนี้เทศการเข้าพรรษาอา <c oughs> ตมามีความยินดีพอใจกับ น, นโยบายของทางรัฐบาล หน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้บรรดาพวกเราชาวพุทธทุกชาติฉันวนันนะทุกเพศทุกใบประชาสัมพันธ์ชวนเชนิญให้พากันงดเหล้าเข้าพรรษาแม่ฟังคำนี้รู้สึก ซึ่งซึงทราบซึ้งในเจตนาเนี่ยพากันงดดื่มเหล้าเข้าพรรษาปัญหาเกิดขึ้นน้อยมากท่ามกลางของประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางของสังคมพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกท่านทุกคน ลองเอาสินห้าไปเป็นเครื่องวัดดูจา้าปัญหาเกิดขึ้นน้อยมากไม่เฉพาะบ้านเราเมืองเราบ้านอื่นเมืองอื่นปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะทำโทษเกิดทุกข์อยู่ใน สิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามแต่ไม่พากันละเว้นไม่พากนระมัดระวังนอกจากไม่ระมัดระวังและก็ส่งเสริมยินดีจากสิ่งที่จะนำโทษให้เกิดทุกข์สมบัติพวกเราเป็นสมบัติล้ำค่า ไม่ควรจะนำความเสื่อมเสียให้เข้ามาทำลายความเป็นสมบัติของเรารูปสมบัติจิริยามารญยาตมีความดีเป็นเครื่องหมายวัจีสมบัติมีจิริยามารญยาตโพตภไยเลาะอ่อนหวาน เป็นความดีของบาจาเป็นเครื่องหมายมโนโสมบัติคือจิตใจดีจิตใจมีความสุขความสบายสดชึ้นลื่นเลิงในชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละท่านแต่ละคนถ้าพากัน มีความสำนึกเห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติลำค่าคือมนุษย์สมบัติลูกสมบัติวระจีสมบัติมโนโสมบัติอเ น, นี้ยก็จะพากันเกิดความซึ้งซึงซึงใจในคำสอนขององค์ศาสดาไม่อย่างนั้นแล้ว ไม่สามารถที่จะรักษาสมบัติลำค่านี่ไว้ได้นอกจากไม่รักษาเป็นการทำลายอันนี้เลวที่สุดร้ายที่สุดจากพฤติกรรมที่สังคมที่ห่างเหินจากสิ่งจกักรธรรมความประพฤติความคิดความเห็น ไม่อยู่ในทำนองของธรรมข็องควมเป็นศิลปเป็นธรรมจึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นน้อยมากทุกชาติฉันวันลนะฉะนั้นทางการประชาสัมพันธ์ให้พากันเลิกดื่มเหล้าเข้าพรรษาจึงเป็นคาพูดที่เหมาะสมเป็นแนวทางที่จะ ชักชวนบรรดาพวกเหล่าชาวพุทธทุกเพศทุกใบโดยเฉพาะใบลูกใบหลานใบกำลังตึกษาเราเรียนซึ่งเป็นใบที่จะเป็นกำลังของชาติถ้าพากันเริ่มต้นตั้งแต่ปีปนี้เลิกเล่าเพื่อเข้าพรรษา เห็นผลเห็นประโยชน์ต่อไปก็ควรจะเป็นการเลิกเล่าเพื่อเข้าหาความดีไม่เอาเฉพาะเลิกเล่าเพื่อเข้าพรรษาในระหว่างพรรษานีเท่านั้นต่อไปควรจะเลิกเล่าเพื่อเข้าหาความดีอันนี้ จึงจะเป็นการดำเดินตามแนวทางคำสอนขององค์ศาสดาธรรมะคำสอนของพระองค์ท่านค่้มคลองปกป้องผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคือไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นน้อยมากนั่นเองที่น้องญาติโยมทุกท่านทุกคน สิ่งที่เกิดขึ้นที่พวกเราไม่ต้องการปรารถนา <c oughs> ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าพวกเราทุกท่านทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทุกชาติชั้นวันณะนี่นะพวกเรายังเป็นสามัญชนอยู่นะพวกเรายังเป็นปุตุชนอยู่ พวกคนยอมรับว่ายังเป็นปุตุชนยังเป็นสามัญชนอยู่อะไรเป็นเครื่องวัดคําว่าสามัญชนและปุตุชนนี่อะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดในลักษณะของสามัญชนปุตุชนนี่หลักธรรมท่านว่าจิเลตมีจิเลตในวงใจมีจิเลตในจิตในใจ เกียตใจมีความรลบอยู่มีความโกรธอยู่มีความหลงอยู่มีตัณหาอยู่ตัณหาความใครอยากดีอยากมีความสุขความเจริญอยากได้ใครดีลักษณะนี้ความอยากความต้องการขอให้พวกเราเข้าใจ ตัณหาความอยากพระพุทธเจ้าแบ่งไว้สองประเภทประเภทหนึ่งความอยากได้ใครดีอยากมีความสุขอยากมีบุญมีกุศลเหมือนพวกเราทุกท่านที่เสียตลาดมาในคราวนี้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเพราะเป็นความอยากในทางที่ดีเป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้า นอกจากไม่ห้ามแล้วพระองค์ส่งเสริมให้บำรุงให้เพิ่มเติมเพราะอันนี้เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลนำดวงจิตดวงใจที่เป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์นี้เพิ่มด้วยความดีเพิ่มด้วยบุญลักษณะนี้จึงจะเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้า น่ีน่น้องญาติโยมก <c oughs> ารที่พวกเราเสียสละเสียสละอันนี้เพื่อความดีเสียสละอันนี้เพื่อบุญเพื่อกุศลขอให้พวกเรา รักษาการเสียสละอันนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นอยากจะให้เสียสละอดีตยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอาศัยศิลธรรมมาเป็นอุปกรณ์มาเป็นเครื่องนำเพศภัยของกิเลสความโรค ความโกรธความหลงตั้นหาความยากในทางที่ผิดอันนี้เป็นสิ่งที่เลวหลายมากเป็นอันตรายสำหรับดวงจิตดวงใจตรงนี้เป็นอันตรายสำหรับที่จะทำลายความเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นเลดเดชของความโลภความโกรธความหลงตั้นหาในทางที่ผิดนี่ พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือภยัยสิ่งเหล่านี้คืออันตรายการฟังบ่อยๆการพิจารณาบ่อยๆจึงจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภยัยสิ่งเหล่านี้เป็นอันตราย ยกนี้พวกเราใช้เทคโนโลยีเครื่องใช้ต่างๆมีระบบควบคุมอะไรที่จะเป็นเหตุให้ก่อเกิดความเสื่อมเสียและอันตรายกับสิ่งที่เราใช้เครื่องที่เราใช้ทุกอย่าง ท่านผู้รู้รู้ในเหตุในผลเพื่อหวังประโยชน์จากเครื่องใช้นั้นเข้าทำระบบควบคุมเอาไว้ตัวอย่างไฟฟ้าของเราเนี่ยทำไมมีจดด่วนหุ้มสายมันยกตัวอย่างเพราะระบบควบคุม ถ้าวควบคุมไม่ถูกระบบวควบคุมไม่ดีไฟฟ้านี่มันจะใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้นอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วจะทำได้เกิดเป็นเพิงขึ้นมาพิหนาสันตโลส่วนเกินคือ สิ่งที่เป็นภัยเชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างที่พวกเราหลีกไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ระบบของน้าที่พวกเราเลี้ยงมาได้ลีกไม่ไ ด, ไได้ที่จะเป็นประโยชน์ก็ต้องอาศัยระบบควบคุมพอเหมาะพอสม ถ้าไม่มีระบบควบคุมที่ดีน้านั้นมาแบบล้นฝั่งล้นฝามาแบบส่วนเกินอะไรจะเกิดขึ้นก็คือภยัยน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีที่พวกเราหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้นอกจากหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเรายังอาศัยประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ จึงเป็นความจำเป็นในชีวิตความเป็นอยู่ที่พวกเราจะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตแต่แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ในความพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอควรฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงมีการจัดระบบ แต่งให้ออกมาขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้มีขนาดนี้ขนาดนี้เป็นประโยชน์ส่วนโลภโกร์หลงตันหานี่ตันหานี่ทางที่ปิดนี่พี่น้องญาติโยมเนืรกไม่ว่าถ้าเผื่อไม่มีระบบควบคุมอะไรจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจเกิดขึ้นกับจิริยามรรษ า, า์เกิดขึ้นกับวาจาของพวกเราซึ่งเป็นสมบัติล้ำคา่าเลดโทสะเกิดขึ้นดูที่นั่นนะเลดโมหเโะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นมันเป็นส่วนเกินเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิด อันตรายเป็นภัยในชีวิตความเป็นอยู่ฉะนั้นขอพี่น้องญาติโยมตระหนักให้ถึงเหตุถึงผลให้เห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติลาค่าของความเป็นมนุษย์แล้วให้เห็นคุณค่าของความเป็นศีลเป็นธรรมคาสอนขององค์ศาสดา พระพุทธเจ้าสอนสว่าขาตธรรมคำสอนของพระองค์ท่านเป็นนิยานิกระทำสว่าขาตธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วแม่นยำแล้วไม่มีอะไรจะถูกต้องแม่นยำเท่าคำสอนขององศาสดาที่พระองค์สอน เพราะพระองค์รู้ด้วยพยานอันประเสริฐของพระ อ, องค์ท่านรู้ด้วยยานอย่างรู้รู้ด้วยความเป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ไม่มีอะไรเป็นเครื่องปกปิดความเป็นทิพย์พยานอันประเสริฐขององค์ศาสดาโดยเฉพาะรู้ในเหตุ สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยแรงฤทธิ์ของกิเลสแรงฤทธิ์ของตัณหาในโลกอันนี้ไม่มีอะไรจะควบคุมให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตพอเหมาะพอควรนอกจากควบคุมไม่ได้ เป็นภัยเป็นอันตรายฉะนั้นคำสอนขององค์ศาตด า, าจึงสอนให้พวกเราทุกท่านว่าภัยความรคความโกด ค, ความหลงตันหาเนี่ยต้องใช้สินใจทมเป็นระบบวควบคุมเหมือนเครื่องใช้ของพวกเราทุกอย่างที่พวกเราใช้ จะเป็นรถก็ดีเครื่องใช้ในบ้านก็ดีเที่ยวที่เจียวแจกเทคโนโลยีที่พวกเรานำมาใช้นามาใช้นามาใช้อันนั้นยังเป็นส่วนปีกย่อยนั่นน่ะวัตถุเครื่องใช้ของพวกเราต้องการให้มั่นคงและใช้ได้ด้วยความปลอดภัย มั่นใจในการใช้เครื่องใช้ต่างๆแต่พวกเราย้ําในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากเครื่องใช้ด้านวัตถุอ น, นันต์เป็นเพียงแค่วัตถุเครื่องใช้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยมันมีอายุการของมันใช้ไปได้แล้วก็ทําลายไป ลงไปเป็นธาตุที่มันมีอยู่ในโลกอันนั้นไม่จำเป็นไม่สำคัญเท่าความเป็นสมบัติที่พวกเราทุกท่านโดยเฉพาะมโนสมบัติคือดวงจิตดวงใจดวงนี้ดวงจิตดวงใจดวงนี้สลายไม่เป็นตายไม่เป็นสลายไม่เป็นไม่เหมือนด้านวัตถุ เมื่อตายไม่เป็นสลายไม่เป็นเนี่ยพวกเราควรจะเห็นคุณค่าเพราะดวงจิตดวงใจดวงนี้เป็นของเลิอดของประเสริฐประเสริฐด้วยการตายไม่เป็นสลายไม่เป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมอง มองรู้ในเหตุในผลอันนี้สำหรับดวงจิตดวงใจความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี้มาด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีถึงจะมาด้วยบุญด้วยกุศลเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีแต่ก็ น, นั้นแหละดวงจิตดวงใจดวงนี้ยังมีกิเลสทั้งหลายอยู่ยังมีตัณหาทั้งหลายอยู่ สิ่งเหล่านี้ก่อติดมาตามพบตามชาติในดวงจิตดวงใจดวงนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นภัยระวังสิ่งเหล่านี้กาจัดสิ่งเหล่านี้ด้วยหลักศีลหลักธรรมจึงจะเป็นบุคคลผู้มีความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ชอบความรู้ถูกความรู้ดี ถ้าไม่คำหนึง่งไม่ได้เรียนรู้พิษภัยของความรู้ความโกรธความหลงนี้แล้วอันตรายของดวงจิตดวงใจดวงนี้ที่มันตายไม่เป็นจะไหลไม่เป็นอบายภูมเพราะโภมที่หาความสุขพราะโภมที่หาความเจริญไม่ได้ชาวพุทธเรา ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอพบภูมิที่หาความเจริญไม่ได้พบภูมิของเปรตพวกพบภูมิของสัตว์เดรัจฉานพบภูมิของสัตว์นรกฉินั้นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงขอยุติไว้เพียงแฉนี้ขอความสุขความเจริญ จงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิน